เอาทำไมเรียกเทมต่างกันทําไมอะ่ะวันนี้ก็สามารถเ ร, เรียกชื่อทั้งหลายสามารถที่จะเรียกแตกต่างกันไปซึ่งก็หมายถึงเมืองเดียวกันนั่นเองอันเหล่ายุวนารีผู้กล้าหารยุวนารีก็นนพวกอะไรสาววัยรุ่นทั่วไปเนี่ยนะปรนิบัติอยูเอ่เสวยสุขตามวิสัยก็มางงในใจมไม่ทะเลาะกัน บ, บ้างยังไงเนียเยอะแยะขนาดนั้นเลย แล้วก็เสวยสุกเหมือนอะไรเหมือนทิพสุขเหมือนหนึ่งเทพกุมารพระโพธิสัตว์สุมาณะกุมาอ่าสุมาณะโพธิสัตว์นั้นให้กำเนิดพระโอรสที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเชื่อว่าอนุปมะอุปมะแปลว่าเปรียบเทียบใช่ไหมเครื่องเปรียบเทียบอนุปมะไม่รู้จะเอาใครไปเปรียบในความงดงามของพระโอรสปกติเนี่ยได้ลูกชายขนาดเนี่ยบวชไม่ได้แล้วเนี่ยนะ ตอนแรกก็จะบวชเหมือนกันเพรเห็นหน้าลูกชายบวชไม่ได้แล้วปกตินะใครจะเลี้ยงลูกเราไงนะแต่นี้พระโพธิสัตว์บอกได้เวลาบวชแล้วพ ร, พ, ร พ, พระโพธิสัตว์ได้พระอรสพนามว่าอนุปมะนะซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับอะไรมอบตัวแทนให้แกพ่พระนางวัตังสิกาเทวีนะก็ถ้าคิดถึงพี่ก็ดูแลลูกไปก่อนก็แล้วกันอย่างเงี้ย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 ทุกวันนี้ก็เรียกอยู่แล้วว่าวันสําคัญของโลกคือวันวิสาขาบูชาเนี่ยเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะตอนเช้าวันเพ็ญเดือนวิสาขา์วันเพ็ญเดือนหเนี่ยนะพระองค์ก็สเสวยเข้ามาทุปายาตอันมีทิโอชะทิพที่เทวดาใส่ที่นางอนุปมาธิดาของอโนปะมะเศษฐีณะอโนปะมะนคอนถเรียกว่าเรียกชื่อตามบ้านตามเมืองอะนะลูกสาวคนดังก็เรียกชื่อตามบ้านตามเมือง นางถวายแล้วพระองค์ก็เสวยนะเสวยข้าวมาทุกปลายาต์ตอนกลางวันก็ยับยั้งพักอยู่ณสาลวันป่าสาระที่น่ารื่นรมพระองค์ก็พักถามว่าพระองค์ทําอะไรตั้งทั้งวันเลยนะฉันเสร็จทําอะไรทั้งวันจนถึงเย็นๆนู่นแหละจึงจะไปที่ต้นโพเนี่ยทำอะไรบอกเข้าสมาบัตดออกสมาบัติลําดับสมาบัติเป็นอย่างดีคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์ไป ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะโง่เหมือนเราอะไรเงี้แหละคล้ายๆแบบนั้นอ่ะเแตจแล้วท่านก็เดินไปนั่งที่โคนต้นโพแล้วท่านก็บรรลุเออทําไมเราก็ไปที่ต้นโพกันเยอะแยะเห็นมีใครมาบรรลุกลับมาเลยอย่างนั้ น, น mm hmm. คือคือจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยพระองค์คิดอะไรมากมายนะโดยเฉพาะหปีนั้นอ่ะหรือพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ก็เหมือนกันสิบเดือนนั้นอ่ะท่านไข้ครัวอะไรมากมายมหาศาลท่านรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยและช่วงกลางวันหลังที่สเสวยข้าวมาทุ ป, ปายาเสร็จพระองค์ก็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 ต้นโพอยู่ข้างขวามือเรียกว่าเดินเวียนขวาก็สิ่งใดที่อยู่ขวามือของเราสิ่งนั้นเราจะเคารพมากพระองค์ก็เดินเวียนขวาทรงเอาญ้า8ดกำเนี่ยนะมาปูเป็นต้นเป็นสัตสันทัดเนี่ยนะสันทัดสันทัดก็คือภาพที่ที่นั่งนั่นเองเอถ้าเราสังไปที่ที่แถวแถวบริเวณที่ตรัสรู้นะก็จะเห็นต้นไม้ ต้นเอ่อต้นแบบต้นหญ้านะถ้าเอามาปูเหมือนขนแปรงจริงๆเลยนะอย่างที่ท่านว่าจริงนี่พระองค์ก็ประทับนั่งที่ปูนี่ในกว้างประมาณสาสศอกพระองค์ประทับนั่งสมาคัดสมาธิเนื้อสันทัดหญ้านั้นต่อจากนั้นเนี่ยนะยามพลบค่ําพระองค์ก็กําจัดกองกําลังแห่งมารโดยอ้างธานาที่ทรมวิธินาชิตวามุนินโทก็อ้างเลย ทานเป็นต้นเนี่ยนะอ้างบารมีทั้งหลายมีทานเป็นต้นนั่นเองเอนะปฐมมยามพระองค์ก็ระลึกชาติได้มัชิมยามพระองค์ก็รู้สัตว์เกิดสัตตายปัจฉิมยามพิจารณาอริยสัจนะจนรุ่งอรุณพระองค์ก็แทงตลอดพระสัพพัญญุตยาน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 มรณะเนี่ยนะสูงสุดแห่งสัตว์ทั้งปวงเนี่ะพระองค์ก็สูงสุดด้วยนะพระพุทธคุณทั้งหลายบทว่าสัพพะธรรมเมหิอัสมโอไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เสมอนะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนด้วยธรรมนีศีลสมาธิปัญญาอันนี้โดยสรุปนะโดยสรุปคุณธรรมนั้นเทวันนับเรียกแต่ขมดปมออกมาก็เหลือแต่สามย่อๆลงมาก็มีสามอย่าง ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมาณะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะยับยั้งอยู่เจดสัปดาห์ณที่ใกล้โผพลึกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนยนะปัมังโพที่ปัลลังเกก็คือสัปดาห์แรกก็ประทับนั่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะทุติยังอนิมิสเจตีนี่นะก็สัปดาห์ที่สองก็อนิมิสเจดีนะ สัปดาห์ที่3รัตรนจังกมะก็คือรัตรนจงกรมเดินจงกรมสัปดาห์ที่4ี่รัตรนคาระเนี่ยนะพิจารณาพระพิธรรมณเรือนแก้วสัปดาห์ที่5ก็แล้วแต่ว่าพระองค์เห็นว่าที่ไหนที่เหมาะสมแต่ไม่ห่างจากสถานที่ตรัสรู้ไม่เกินสองสากิโลเนี่ยนะประมาณสองสากิโลอย่างเช่นสัมมุจรจรินจิงๆนั้นห่างจากบริเวณตรงนั้นประมาณสัก2กิโลนิดๆเนี่ยนะก็ประมาณสักสองกิโลบริเวณนั้น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 พวกตาอักเสบบวมโปนเป็นต้นเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาพวกตาที่ไม่ค่อยอักเสบพอที่จะเปิดตาหน่อยนะก็เบิกเนตรก็มองเห็นอริยศาสตร์ได้เลยเนี่นะเขามีเบิกเนตรพระพุทธเจ้านี่นะคนไทยใช้คําว่าเบิกเนตรออมาไม่เห็นด้วยเลยใช้คําว่าอารเนตระบูชาแบบศีลังกาอย่างแยเพราะกว่าเนตระบูชาก็คือบ้านเราเรียกว่าเบิกเนตรนะเนี่ยเนะวลาบูชาดวงตาพระพุทธเจ้า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 ไปงานก็มีพระพุทธรูปซื้อไปจากร้านองค์ใหม่ๆเลยโยมเขาบอกว่านิมนท์ท่านเบิกเนตรถวายพระพุทธเจ้าแล้กวก็แล้วเบิกเนตรให้พระพุทธเจ้าพระองค์จะได้มองเห็นเหมือนกันออกมาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านเห็นหมดอยู่แล้วอะไรท่านก็เห็นหมดไอเรานี่สิมันบอดจะไปเห็นยังไงโกรธมากเลยนะนี่ทําอย่างงี้บอกว่าสหัสสเนทโททิพะจกขงวิโสทะยีเหมือนน อันนี้มัน ค, คำบอกว่าสหเสเนโทเข้ามมีผู้มีตาตั้งพันบอกพระอินเบอร์แค่นี้ฉลาดเท่าพระอินก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพราะองค์เก่งกว่า น, นั้นอีกนะแต่ว่าอย่าไปยุ่งอะไรกเขามากเลยจะไปชวนทะเลากกะกับใครเลยเนี่ยนะต้องเงียบนะนั่งทําทำไรก็ทำไปนะัาฟังท่านก็นี่ก็เหมือนกันพระองค์ก็จะแสดงธรรมให้คนที่มีทุลีในจักขุคือปัญญาเนี่ยนะ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 มันก็แสดงทำให้จิตปราศจากนิวรณ์ให้จิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานพอที่จะเข้าใจอริยสัจได้พอที่จะเห็นอริยสัจได้พอที่จะมีธรรมจากสุได้พระองค์ก็แสดงธรรมเพราะการพิจารณาแรกๆเลยต้องเลือกดูว่าใครนปราศจากนิวรณ์พอที่จะมีปัญญาจากสุรู้เห็นอริยสัจ ต, ตามได้บ้าง พระองค์ก็เห็นว่าชนที่บวชกับพระองค์30โกธพระกนิตภาาดาน้องชายต่างพระมารดาของพระองค์พระนามว่าสารณะกุมารและบุตรปุโรหิตชื่อว่าพาวิตตะตะ ม, มานพเนี่ยนะก็ถือเอาน้องชายต่างมารดานี่เป็นหัวหน้าแล้วก็ลูกของปุโรหิตทั้งสองท่านเนี่ยนะทั้งสารณกุมารและภาวิตตตะมานพเนี่ยสองท่าน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 ท่านภาษารีบทพระโมคขลานะใช่ไหมก็ตั้งเดือนอเดือนสอง่ะนะเดือนสองครึ่งแล้วจึงพบกับภาษารีบทพระโมคขลานะวันเพ็ญเดือนสา ม, มาฆ่าบูชานะนะั่นแหละจึงตรัสรู้นะนะตรัสรู้เป็นพระคระสาวกก็ถือว่านานอันนี้สารณกุมารกับภาวิตตตมะนกทั้งคู่นี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยพระโสมนพุทธเจ้าหลังจากรับอาราธนาจาก พรมแล้วก็ดำเนิว่าจะแสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นก่อนก็เสด็จโดยทางหน้าผ่าตปกติของพระพุทธเจ้าโดยมากที่จะไปแสดงธรรมาจักสู่แรกนั้นโดยมากเหาะไปมีพระพุทธเจ้าของเราอเดินไปเหตุผลที่เสด็จพุทธดําเนินไปเพราะเห็นอุปนิสัยของอุปกะชีวกเนี่ยนะถ้าอุปกะชีวกเนี่ยไม่เห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ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 ผู้นั้นย้อนกลับมานะว่าพระองค์ก็เหาะไปไปลงที่พระราชวิทยานมีคละพระองค์ก็ส่งพนักงานเข้าไปเฝ้าพนักงานที่เฝ้าราชวิทยานก็คือพวกเจ้าหน้าที่ดูแลสวนนะ่ะนะพวกเจ้าหน้าที่ดูแลสวนก็บอกว่าไปเรียกสารณกุมารพระกณิจภาดาของพระองค์และภาวิตตตะมานุบุตรปุโรหิต ถ้ามีบุญนะมีบุญเนี่ยกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านเนี่ยมีคนมาเรียกสะ ก, กิดไปบรรลุได้อะไรสิถ้ามีบุญนะถ้าทําบุญไว้ดีเนี่ยแม่จะกําลังกินเลี้ยงฉลองเพลิดเพลินก็ตามมีคนมาเรียกามาหนี้มา น, มนี่หน่อยไปไหนบอกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วงหมนันนะนะมันถ้ามีบุญก็มีความสุขอย่างนีง้แหละแต่ถ้าหมดบุญนะโอ้หเดือดร้อนมากมันก็สั่งสมบุญไว้เยอะๆ เ, เนี่ยนะพันบางทีกําลังกินเลี้ยงงานฉลองก็ยังมีคนมาเสด็กทําให้บรรลุได้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 อ่นภาษาไทยไม่หมดความเหมือนกันคือสรุปว่าพระองค์ก็ยังสัตว์แสนโกรธอย่างนี้คือบริวารของชนทั้ง30มบนะบริวารเหล่านั้นนะสามสโกรธพวกที่บวชกับพระองค์อีก30โกรธเทวดาและมนุษย์อื่นๆ อ, อ, อีกหลายโกรธคือบวกให้มันครบแสนโกรธก็แล้วกันให้ท่านเหล่านั้นดื่มอมตะธรรมอมตะเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยนะอมตะังบณีตังเนี่ยนะอมตะเป็นชื่อของนิพพาน คำว่าดื่มก็คือสัมผัสด้วยใจเาเรียกว่าแทงตลอดธรรมะคืออริยสัจธรรมคือพระนิพพานด้วยการประกาศธรรมจักหมุนอริยสัจประกาศอริยอัริยสัจให้เป็นไปให้เขารู้ปริวัต3ิ3มอาการ12เนี่ยนะปริวัติสามก็สัจจญาณกิจญาณและกตาญาณนะ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 บทว่าอมตะเพริงได้แก่เพรีเพื่อบรรลุอมตะหรือเพรีเพื่อบรรลุพระนิพพานเหมืนคําว่ากลองหมายถึงอริยมตรตเสียงของพระองค์ที่ดังออกไปก็เหมือนกับไม้ตีอริยมตรตเข้เสียงที่เปลงออกมาก็เสียงพระพุทพธพจน์ก็เหมือนกับไม้อริยมตรตก็เหมือนกับกลองผู้ใดที่เจริญอริยมตรตก็จะบรรลุพระนิพพานพระองค์ก็ประโคมหรือบรรเลงหรือว่าตีกลอง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 ของพระพุทธเจ้าตรัสเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งอันนั้นก็คือการประกาศอริยสัจสีประการเนี่ยนะประกาศทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยนยะต่างๆตามสมควรแก่ัธยาสัยพระสมณะพุทธเจ้าผู้นำโลกทรงบรรลุพระอภิสัมโพธิยาณแล้วใช้คำว่าอภิอภิแปลว่ายิ่งเป็นการตรัสรู้ที่เนื้อสาวก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 จงปล่อยศรัทธามาเถิดเรียกว่าปฏิญญารับคําของพรมว่าจะแสดงธรรมอันนี้ใกล้หน่อยถ้าไกลไปอีกนิดนึงพระองค์รับปฏิญญาของเทวดาที่มาจากหมื่นจั ก, กรวาลมาอาราธนาว่าขอพระองค์โปรดลงสู่ขันพระพุทธมารดาเธอะนนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพาโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ค่อมอันนั้นพระองค์ก็รับปฏิญญาครั้งที่นนถ้าถอยหลังไปอีก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 ปฏิญญาคือกล่าวเอาไว้นั่นเองเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าดังที่ปรารถนาแล้วก็กระทําอย่างที่พระองค์ปฏิญญาทีนี้วิธีที่จะช่วยคนอื่นทํำยังไงพระองค์ก็สร้างอรรมตะนคนอรอันประเสริฐอมตะนครก็เรียกเหมือนสร้างเมืองนิพพานพูดแบบภาษาไทยเราเรื่อสร้างเมืองนิพพานอันนี้เรียกอุปมานะคาพูดอุปมาเนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจอุปไมย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 สร้างอมะตะนครอันประเสริฐยิ่ง น, นะมาดูเมืองนี้เป็นยังไงมีศีลเป็นปราการอันไพบูณ์ถามว่าป้อมกำแพงรอบเมืองเนี่ยน ะ, ะเมืองที่ไม่มีการรบด้วยเครื่องบินแบบแบบแบบแบบแบบสมัยใหม่เนี่ยน ะ, ะกำแพงเมืองนี่มัสำคัญมากะนะกำแพงเมืองนั้นศีลเป็นเหมือนกับกำแพงเมืองป้อมปราการโดยรอบมีสมาธิเป็นคูล้อม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 ประดับด้วยมนดกเนี่ยนะมณดกก็คือเมืองข้างในอ่ะนะคำว่ามนดกก็คือเช่นพวกพวกบ้านอ่ะนะบ้านเรือนที่สร้างอย่างดีเรียกมนดกอันนี้สําเร็จด้วยสมาบัติทั้งหลายเนะนียาาน่ยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานรูปฌานอรูปฌานเป็นต้นเกลือนกล่นไปด้วยชนผู้ยูนเชื้อกล่นคนในนั้นก็คืออะไรธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งโพธิโพธิญาณ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 อันเหล่าโจรคือกิเลสนินิวอนเป็นต้นคอยปล้นสะดมเพื่อประโยชน์แก่การเปลืองมหาชนให้พ้นจากเครื่องพันธนาการคือภพอนะพระองค์ก็สร้างเมืองอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมจริงก็เป็นการเปรียบอะไรเปรียบโพธิปัจจยธรรมเปรียบสติประธานสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พระละโผ่จงเปรียบคําสอนในพระไตรปิฎกนั่นแหละว่ามีเป้าหมายมีความหมายว่ายอย่างไร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 มันท่าตัดความผูกพันด้วยตันหาอุปาทานด้วยการกําหนดรู้รูปกําหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, น, น, นะก็เรียกว่าตัดฉั้นธราคะอาไลาอาวรณัยอุปาทานขันหา้าตัดพันธะเครื่องผูกคือตันหาและอุปาทานนี น, นนะพบที่เป็นเหตุแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตก็ดับไป น, น, นะ่ยนะ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 วรัตตมะเนี่ยนะวรุตตมะนั้ น, นหมายถึงสูงสุดประเสริฐแล้วก็เป็นหัวหน้าบรรดานครอันประเสริฐทั้งหลายกล่าวคือสัตรธรรมณนครสัตรธรรมณนครปกติคำว่าสัตรธรรมก็คือปริยสัตรธรรมปฏิบัติสัตธรมและปฏิเวสสัตรธรรมหรือธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะสร้างเมืองแห่งคำว่าเมืองของพระพุทธเจ้านั่นเองอีกอย่างหนึ่งบรรดานครอันประเสริฐที่สําเร็จด้วยสัตรธรรม สัทธามหมายหมายถึงนิพพานเป็นเมืองที่สูงสุดเนี่ยนะสัทธรรมคือนิพพานเนี่ยสูงสุดจึงชื่อว่าสัทธรรมะปุระวรุตมนครเป็นเมืองที่อุตตมะยอดวรประเสริฐเป็นเมืองเป็นเมืองอย่างดีเหมือนกันเป็นเมืองที่สูงสุดในบรรดาเมืองชุกชนิดนั้นคําว่าเมืองนี่เป็นเป็นวัยพจน์เป็ น, ปนคําที่ใช้แทนนิพพานพระนิพพานนั้นที่เรียกว่านครที่เรียกว่าเมืองเนี่ยเพราะอะไร เพราะนิพพานเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งพระอริยะบุคคลทั้งหลายทั้งที่เป็นพระเสขะและอเสขะผู้แทงตลอดสภาวะธรรมนิพพานก็เลยเรียกว่านครเพราะอัตตว่าเป็นโครจรที่เที่ยวเป็นที่เที่ยวด้วยเป็นที่อยู่ด้วยของพระอริยะบุคคลนิพพานเนี่ยนะถ้ามองว่าพระอริยะบุคคลเช่นกับชนนครนิพพานเปรียบเหมือนกับนครเนี่ย